ขัดซีโยมถ้าโยมเอาหลักวิทยาศาสตร์มาตัดสินมันขัดกันแน่ๆแต่สําหรับอาตมาไม่ได้คิดอย่างนั้นอาตมาไม่ยกย่องวิทยาศาสตร์ว่าสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างให้มนุษย์ได้ทั้งนี้ก็เพราะยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงเช่นเรื่องกรรมเรื่องของจิตวิญญาณเป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ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 ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องเลี้วหลายไร้สาระเช่นเรื่องจิตวิญญาณเป็นต้นท่านกล่าวถึงความเชื่อพื้นเพของคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเรื่องฌานสมาบัติที่หลวงพ่อพูดถึงมัตต์กี้ก็เป็นเรื่องของจิตใช่ไหมครับผู้มากวัยกว่าถามอีกนายขุนทองรู้สึกฟังไม่รู้เรื่องจึงขอตัวไปนอน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 ที่ได้สมบัติแปดกับพระอาหารหันต์ประเภทอุปโตภาคควิมุตตะนอกนั้นเข้าไม่ได้พระโสดาบันและพระสัคาคามีเข้าไม่ได้หรือครับไม่ได้ถึงแม้ท่านจะได้สมบัติแปแต่ก็ยังเข้านิโรธสมบัติไม่ได้เอาละอาตมาว่าโยมปฏิบัติไปดีกว่า เรื่องเหล่านี้ยังไกลตัวเอาเรื่องไกลตัวก่อนเรื่องไกลตัวเอาไว้ทีหลังท่านพระครูพูดตัดบทครับแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกผมตอนก่อนไปว่ากลับมาจะเล่าอะไรให้ฟังเขาถือโอกาสทวงสัญญาตกลงเล่าก็เล่ า, ลาความลับนะ ห้ามเอาไปพูดต่อสัญญาได้ไหมได้ครับผมให้สัญญาคนอยากฟังรับคําอย่างหนักแน่นเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเล่าให้ฟังและท่านจึงเล่าว่าที่อาตมาถาม ถ, ามถึงเตาวนนะ่ะเพราะเคยทำกรรมกับแกไว้สมัยที่อาตมาเป็นเด็กนี่ก็ไปจัดการชดใช้มาเรียบร้อยแล้ว กรอะไรครับอาจารย์ชิดถามโกงค่าหรือจ้างสมัยก่อนแกมีอาชีพพายเรือข้ามฟากเก็บค่าโดยสารเที่ยวละหนึ่งสตางค์อาตมาตอนนั้นเป็นนักเรียนต้องข้ามฟากไปเรียนหนังสือฝั่งโน้นก็ใช้บริการแกทุกวันพอกขึ้นผ้าก็แกล้งโยนก้อนหินเล็กๆ ล, ลงไปติดท้ายเรือทําเป็นว่าค่าโดยสาร แกก็ไม่ติดใจสงสยัยเพราะผู้โดยสารคนอื่นๆเขาก็ทำอย่างนี้โยนก้อนหินลงไปนั่นหรอครับเปล่าโยนสตังจริงๆคือพอขึ้นท่าเขาก็โยนสตังลงไปที่ท้ายเรือมีอาตมาคนเดียวที่ใช้ก้อนหินแกเคยจับได้บ้างไหมครับผู้สูงอายุถามอีกมือฉันนี้แล้ว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 กระทั่งย้ายโรงเรียนพูดแล้วจะหาว่าคุยนะอาตมาเนี่ยย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่นที่จังหวัดสิงห์บุรีสมัยนั้นมีโรงเรียนมัธยมอยู่แปดแหง่งอาตมาเรียนหมดทุกแหง่งแห่งละเดือนบ้างสองเดือนบ้างอย่างเก่งไม่เกินหกเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอีกทําไมย้ายบ่อยจังครับถามอย่างสนใจ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 คนเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถามอย่างนึกสนุกวนสิวนรอบสองแต่เขาไม่รับสักแห่งเดียวเขาบอกว่ารอบเดียวครูก็พากะลาออกหมดโรงเรียนแล้วแต่คืนรับอัตมาเข้าเรียนรอบสองก็มีหวังผ่านโรงก็ต้องลาออก อาตมาก็เลยต้องไปเรียนที่บางกอกโนนเอาละจบเรื่องโรงเรียนก่อนมาเล่าเรื่องตะวันต่อครับตกลงแกรู้เรื่องที่หลวงพ่อโกงข้าหรือจ้างหรือยังครับคนฟังถามนึกสนุกจนลืมปวดแผลรู้แล้วอาตมาบอกแกเมื่อกี้นี่เองแต่เชื่อเธอแกไม่บอกใครหรอก อาตมารับรองได้หลวงพ่อแน่ใจได้อย่างไรครับพอหลวงพ่อลงเรือมาแกอาจจะบอกลูกเมียแกก็ได้คนมากวัยกว่าคาดการแกไม่บอกลอกโยมเพราะแกนอนพงาบผงา บ, งงาบจะไปอยู่แล้วอาตมาดูแล้วว่าสี่ทุ่มคืนนี้แกก็ไปแน่เห็นไหย นโยบายของอาตมาใช้ได้หรือเปล่าเลือกสารภาพตอนที่แกไม่ได้พูดแล้วท่านหัวเราะ อ, อีกแล้วในขุนทองทราบเรื่องนี้หรือเปล่าครับถามเสียงเบาๆให้รู้ไม่ได้สิเจ้าหมอนี่เก็บความลับได้ซสีที่ไหนล่ะท่านวิจารณ์คนมีศักดิ์เป็นหลานพออาตมาไปถึง พวกลูกๆเขาก็ดีใจกันใหญ่บอกแม่หลวงพ่อใจดีจังอุตส่ามาเยี่ยมแถมเอาทั้งของทั้งเงินมาให้พระวัดอื่นมีแต่จะมาเอาของญาติโยมแต่หลวงพ่อวัดนี้กลับมาให้ญาติโยมอาตมาก็นึกขำที่เขาชมต่อหน้าที่แท้เปล่ารอกอาตมามาใช้หนี้ต่างหากเขาก็พาอาตมาเข้าไปหาพ่อเขา อาตมาก็เข้าไปใกล้ๆแล้วกระซิบที่ข้างหูแกว่าตาวนจำอาตมาได้ไหมที่เคยโดยสารเรือจ้างโยมเมื่อส0สิบกว่าปีก่อนนะ่ะแกก็พยักหน้าอาตมาก็พูดต่ออีกว่าโยมรู้หรือเปล่าอาตมาโกงข่าเรือจ้างโยมทุกวันไม่เคยให้สตังเลยโยนแต่ก้อนหินไปแทนนี่นะโยมก็ป่วยหนัก ถ้าอยากได้บุญก็เอาโหสิกรรมให้อัตมานะเพราะตอนนี้อัตมาเป็นพระแล้วและนี่ก็เงินสองร้อยบาทอัตมาใช้นี่ค่าเรือจ้างส่วนพวกเครื่องดด่มเนี่ยคิดว่าเป็นดอกเบี้ยแต่โยมห้ามไปบอกลูกหลานนะสัญญาได้ไหมล่ะขืนบอกเขาก็จะพากันเลิกนับถืออัตมาแกก็พยักหน้าอีก อาตมาก็โล่งใจที่ได้ใช้นี่ไปอีกหนึ่งรายเสร็จแล้วอาตมาก็เทศโปรดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแกก็ฟังอย่างสงบก่อนกลับอาตมาก็บอกกรรมฐานให้บอกว่าให้แกกำหนดพองยุคไปเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องห่วงลูกหลานหรือสมบัติให้เอาสติไว้ที่ท้องเท่านั้นแกก็พยายามทำตามที่อาตมาสอน ตกลงเรื่องนี้แกกับอาตมารู้กันสองคนเท่านั้นก็สรุปว่ารู้สึกโล่งอกโล่งใจเสียนักแต่ตอนนี้สามแล้วนะครับหลวงพ่อเพราะเพิ่มผมเข้ามาอีกคนหนึ่งคนฟังแยง้งไม่เป็นไรหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วก็เหลือสองคนเท่าเดิมท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มอดีตอาจารย์ จึงประเมินผลว่าผมว่าเรื่องนี้ในวนแกได้กำไรนะครับที่หลวงพ่อเทศโปรดแกแถมยังสอนกรรมฐานให้กำไรหลายสิบเท่าเลยเชียวแหละไม่เหมือนเรื่องเจลีรายนั้นขาดทุนอานไปเลยพูดแล้วก็หัวเราะเจลังโยมไม่ใช่เจลีแล้วกันไปเปลี่ยนชื่อให้เขาเสียแล้วเอาละ ที่นี้โยมก็จะปฏิบัติต่อได้แล้วอย่าลืมดื่มยาบ่อยๆนะดื่มต่างน้ำเลยจะได้หายเร็วๆเอาละให้เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งอีกหนึ่งชั่วโมงวันนี้มีทุกขเวทนานมากกว่าทุกวันอย่าตกใจให้ตั้งสติกำหนดปวดหนาปวดหนอถ้าไม่หายก็ให้กำหนดว่าอดทนหนออดทนหนอ แล้วก็หันมากำหนดพองยุบต่อไปจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงอาตมาเห็นจะต้องขึ้นไปทำงานต่อข้างบนแล้วนะพูดจบท่านก็ลุกออกไปปิดประตู ด, ด้านหน้าและด้านหลังของกุฏิแล้วจังเดินขึ้นข้างบนสมชายมีกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะไขเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องตะโกนเรียกคนที่ขี้เซาอย่างในขุนทองให้มาเปิดให้ เหมือนเช่นที่ล้วแล้วมาเมื่ออยู่คนเดียวอาจารย์ชิดจึงเริ่มเดินจงกรมรู้สึกปวดหนึบเนึบที่แผลหากเขาไม่สนใจพยายามเอาสติจดจอกับการเคลื่อนไหวของเท้าเลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้น เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเขาจะต้องเดินไปถึงสามทุ่มครึ่งจากนั้นก็จะนั่งไปจนถึงครบหนึ่งชั่วโมงตามที่หลวงพ่อสั่งแต่ปัญหาก็คือจะรู้ได้อย่างไรว่าหมดเวลาคงจะต้องเลือมตาขึ้นดูนาฬิกาเป็นครั้งเป็นคราวทว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้สมาธิไม่ต่อเนื่องบุรุษวัยหรู้สึกสับสน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 ภิกษุวัยเดียว ก, กันกับเจ้าของกุฏิท่านมากับเครือหัดสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งยังหรอกครับนิมนต์หลวงพ่อนั่งรอก่อนประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให้ภิกษุรูปนั้นจึงไปนั่งรอที่หน้าอาสนะส่วนผู้ติดตามทั้งสองให้เข้ามานั่งในกุฏินายสมชายจัดการชงน้ำชามาประเคนท่าน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 เขาจะได้ไม่เสียเวลาปฏิบัติกรรมาฐานเมื่อท่านพระครูเปิดประตูหน้าบันไดออกมาภิกษุอาคัรตุกากาก็ยกมือไหว้ทำความเคารพท่านรับไหว้ผู้ติดตามทั้งสองก้มลงกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งผมขอโทษที่มารบกวนท่านพระครูในยามวิการเช่นนี้ภิกษุวัยห้าสิเอ่ยขึ้นก่อนอย่าถือว่าเป็นการรบกวนเลยครับ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 ที่มาด้วยพูดขึ้นทั้งเขาและภรรยามีท่าทางทุกข์อนโดยเฉพาะภรรยานั้นมีดวงตาแดงช้ำแสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาเกิดอะไรขึ้นกับเนรลูกชายของโยมหรือท่านถามสองสามีภรรยานิมนลหลวงพ่อเล่าดีกว่าครับบุรุษวัยสี่สบอกภิกษุผู้เป็นอุปชาของเนรลูกชาย คืออย่างนี้ครับท่านพระครูโยมสองคนเนี่ยเขาพาลูกชายมาบวชเนนที่วัดผมก็บวชมาตั้งแต่อายุส4จนอายุครบบวชพระเข้าปีนี้แล้วเนนรูปนี้ขยันนั่งสมาธิมากพอฉันเสร็จก็นั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกับใครเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆมาในช่วงหลังๆ นั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนเลยข้าวปลาอาหารไม่ยอมฉันภิกษุผู้มาเยือนเล่าความก็ดีแล้วนี่มีลูกศิษย์ขยันปฏิบัติอย่างนี้ท่านน่าจะภูมิใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพูดขัดขึ้นครับผมก็ภูมิใจโยมพ่อโยมแม่เขาก็ภูมิใจแต่ตอนนี้มันเกิดยุ่งแล้วล่ะครับท่านพระครู ยุ่งยังไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิซักคือตอนหกโมงเย็นเนรเขออกจากสมาธิแล้วก็ถือบาทเดินออกจากวัดไปบินทบาดบินทบาดตอนหกโมงเย็ น, น่ะหรือครับทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้นั่นสิครับเขาถือบาทออกมาแถมสบงจีวรไม่มีติดตัวล่อนจอนออกมาจากห้องพระเนนพากันตกใจ ถามว่าเนนจะไปไหนเขาก็ว่าผมไม่ใช่เนนนะผมสําเร็จเป็นพระอรหันแล้วพวกคุณต้องกราบผมสิพระเนนเขาเห็นไม่ได้การเลยไปบอกผมผมก็ถามว่าเนนทำไมไม่นุ่งสบงห่มจีวรให้เรียบร้อยไม่อายคนอื่นเขาหรือผมก็เลยถูกดุว่าคุณอย่ามาเรียกผมอย่างนั้นนะ ผมเป็นพระอาหารหันต์แล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วพูดจบก็ถือบาทเดินท่องๆไปทางประตูหน้าวัดผมก็เลยสั่งให้พระเนนช่วยกันจับเขาก็วิ่งหนีก็เกิดการไล่จับกันขึ้นญาติโยมที่บ้านอยู่ใกล้วัดก็พากันมาดูแล้วก็วิพากวิจารณ์ว่าเนนบ้าผมก็เลยบอกให้โยมผู้ชายช่วยกันจับ กว่าจะจับได้เล่นเอาหอไปตามๆกันแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่วัดครับผมให้เขามัดไว้แล้วไปตามโยมพ่อโยมแม่เข้ามาเขาก็จำอะไรไม่ได้พูดแต่ว่าผมเป็นพระอรหันต์ผมเป็นพระอรหันต์คุณมาจับพระอรหันต์มัดไว้อย่างนี้จะต้องตกนรกลูกดิฉันเป็นอะไรไปค่าหลวงพ่อ ผู้เป็นแม่ถามเสียงเครือเท่าที่ฟังเล่ามาอาตมาขอลงความเห็นว่าเขาหลงทางเสแล้วแบบนี้ลำบากแก้ยากท่านสายหน้าช้าช้าแล้วจะทำไงดีล่ะคะคราวนี้หล่อนร้องไห้ต้องให้สึกเอาเธอ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 ไม่ได้แน่เขาสร้างบุญบารมีมาแค่นี้ถ้าไม่ให้ศึ ก, กรับรองว่ากูไม่กลับเจื่ อ, อาตมาเธอแต่ดิฉันทำใจไม่ได้ค่ะหลวงพ่อดิฉันมีลูกชายคนเดียวและก็หวังมากว่าเขาจะได้เป็นพระอรหันต์คนเป็นแม่รำพันมนุษย์เราไม่ได้อย่างที่ใจหวังไปทุกคนหรอกโยม อาตมาว่าโยมจะต้องทำใจให้ได้เอาเถอะอีกหน่อยพอมีหลานมาให้อุ้มโยมก็จะทำใจได้เองนะโยมนะเมื่อพูดถึงหลานสตรีวัยสี่สิบรู้สึกอบอุ่นลึกๆด้วยสัญชาตญาณของการดำรงเผ่าพันธุ์จริงสินะหากคนบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์กันหมดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็ต้องสูญสิ้นไปจากโลกเป็นแน่แท้ หล่อนคิดหารู้ไม่ว่าสิ่งที่คิดนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องพาส่งโรงพยาบาลปากคลองสาหรือเปล่าคะหล่อนถามอีกคราวนี้ด้วยความรู้สึกห่วงลูกมากกว่าห่วงมรคนิพพานไม่ต้องหลอกโยมถ้าให้ศึกไม่ต้องส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ศึกถึงจะต้องส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีโอกาสหาย ท่านพระครูพูดตามที่เห็นแต่ถ้าเขาไม่ยอมศึกละครับท่านพระครูผู้เป็นอาคารตุกะยังวิตกท่านก็ต้องเลือกโอกาสพูดกับเ้าสิครับคือเลือกพูดตอนที่เขาสงบแล้วตอนกำลังคลั่งอย่าเพิ่งพูดท่านเจ้าของกุฏิแนะนาจริงของท่านแม้ผมก็ลืมข้อนี้ไปเสีนสนิทถ้าอย่างนั้นเห็นจะต้องลาละขอพระคุณ ที่ท่านกรุณาแนะนำและภิกษุอคันตุ ก, กะรูปหนึ่งกับเครือหัดสองคนก็ลาเจ้าของกุฏิกรับท่านพระครูให้ในายสมชายไปเรียกอาจารย์ชิดมาปฏิบัติในกุฏิแล้วจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อเดินจงกรมครบหนึ่งชั่วโมงบุรุษวัยหสจึงกำหนดนั่งเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเพราะนายสมชายเกิดใจดี นำนาฬิกาปลุกมาให้ยืมพร้อมทั้งตั้งเวลาให้เสร็จสั์อาการพองยุบชัดเจนในตอนแรกแรกคลั้นเวลาผ่านไปชั่วครู่ความรู้สึกปวดแผลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและน้ำเหลืองก็ออกมามากผิดปกติจนเสื้อกล้ามเปียกชื้นนึกถึงถ้อยคำของท่านพระครูที่ว่าวันนี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าทุกวัน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 จนกว่าจะหมดเวลาทั้งจะไม่ยอมเปลี่ยนเอรียาบทเป็นอันขาดเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกหากคราวนี้คนเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนั่งเฉยเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ขยับลุกไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาเสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมตามด้วยเสียงเรียกชื่อในสมชายคนถูกเรียกอาบน้ําเสร็จพอดีจึงเดินออกมาเปิดประตู สมชายช่วยไปเรียนหลวงพ่อให้ไปดูส้มปล่อยด้วยอารวาดใหญ่แล้วฉันห้ามยังไงก็ไม่ฟังเล่นเอาคนอื่นไม่เป็นอันได้ปฏิบัติกันละแม่ชีเจียนบอกลูกศิษย์วัดเธอมากับเพื่อนชีอีกสองคนเพราะท่านเจ้าของกุฏิเคยสั่งไว้ว่าหากมีธุระด่วนและจำเป็นต้องมาพบท่านในยามวิการ จะต้องมีเพื่อนมาด้วยสองคนเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ได้ลืมตาขึ้นดูหากหูของคนที่กำลังนั่งสมาธิก็ได้ยินเรื่องที่แม่ชีบอกในสมชายแล้วใจก็เลยนึกสงสารท่านพระครูที่ต้องถูกผู้คนรบ ก, กวนทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่เลือกข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม